การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสมัยนั้นประมุขเจ้ามันละสี่องค์ทรงสนานพระเสียรแล้วทรงพระภูษาใหม่ด้วยตั้งพระไทยว่าพวกเราจะจุดไฟที่จิตกาทานของพระผู้มีพระภาคแต่ไม่อาจจะจุดไฟให้ติดได้ลำดับนั้นพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราตรัสถามท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะอะไรหนอแลเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ประมุกเจ้ามันละสี่องนี้ผู้ทรงสนานประเสียรแล้วทรงพระภูษาใหม่ด้วยตั้งพระไยว่าพวกเราจะจุดไฟที่จิตกาธานของพระผู้มีพระภาคแต่ไม่อาจจะจุดไฟให้ติดได้เล่าท่านพระอนุรุทธะถวายพระพรว่าว่าเษฐะทั้งหลายพวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งพวกเจ้ามันละตรัสถามว่า พวกเทวดามีความประสงค์อย่างไรพระคุณเจ้าท่านพระอนุรุทธะถวายพระพรว่าพวกเทวดามีความประสงค์ว่าท่านพระมหากรสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปเดินทางไกลจากกรุงปาวามายังกรุงกุสินาราจิตกาทางของพระผู้มีพระภาคจะยังไม่ลุกโพงตราบเท่าที่ท่านพระมหากสปะ ยังไม่ได้ถวายอภิวาทพระยุคลบารดของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวพวกเจ้ามันละตรัสว่าขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิดพระคุณเจ้าต่อมาท่านพระมหากัตริยเข้าไปยังมกุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามันละในกรุงกุสินาราถึงจิตการทานของพระผู้มีพระภาคโฮมจีวรนเฉวียงบา ประนมมือกระทำประทักศินจิต ก, กาทานสามรอบเปิดผ้าคลุมทางพระบาทถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแม้ภิกษุห0 0รอรูปเหล่านั้นก็ห่มจีวรเฉวียงบาประนมมือทำประทักศินจิต ก, กาทานสามรอบถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียรกลาวเมื่อท่านพระมหากษัตและภิกษุหรรูป ถวายอภิวาสเจ็จิตกาทานของพระผู้มีพระภาคได้ติดไฟลุกโผล่ขึ้นเองเมื่อพระเพลิงไหม้พระสอระของพระผู้มีพระภาคพระอวัยวะคือพระชวีผิวนอกพระจัมมะหนังพระมังสาเนื้อพระนหารูเอ็นหรือพระลสิกาไขข้อหรือไขกระดูกไม่ปรากฏเท่า ไม่ปรากฏขมเมาเลยคงเหลืออยู่แต่พระสิริระเท่านั้นเปรียบเหมือนเมื่อไฟไหม้เนยใสและน้ำมันก็ไม่ปรากฏเท่าไม่ปรากฏขมเอาชั้นใดเมื่อพระเพลิงไหม้พระศิริระของพระผู้มีพระภาคพระอวัยะคือพระชวีพระจามะพระมังสาพระนารูหรือพระลสิกาไม่ปรากฏเท่าไม่ปรากฏขมเ คงเหลืออยู่แต่พระสิริระเท่านั้นฉันนั้นเหมือนกันและบรรดาผ้าห้าร้อยคู่นั้นมีเพียงสองผืนเท่านั้นที่ถูกไฟไหม้คือผืนในสุดกับผืนนอกสุดก็เมื่อพระเพลิงไหม้พระสิริระของพระผู้มีพระภาคแล้วแลท่อน้าไหลลังมาจากอากาศดับจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคน้ำพุ่งขึ้นจากไม้สาระดับจิตกาทานของพระผู้มีพระภาค พวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราดับจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคด้วยน้ำหอมล้วนๆต่อจากนั้นเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราได้จัดกำลังพลหอกไว้รอบสันธาคารล้อมด้วยกำแพงธนูป้องกันพระบรมสาเ ร, เรีเร ก, กธาตุของพระผู้มีพระภาคแล้วสักการะเคารพนบนอก บ, บูชาพระศิริระของพระผู้มีพระภาค ด้วยการฟอนรำขับร้องประคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมตลอดเจ็ดวันแจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระราชาแห่งแคว้นมคตรพระนามว่าอาชาสตรูเวเทหิบุตร ได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพานในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูดไปถึงพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทาการฉลองพวกเจ้าลิชวีผู้ครองกรุงเวสาลี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 ด้วยทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพานในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูปไปถึงพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระญาติผู้ประเสริฐที่สุดของพวกเราพวกเราควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูวบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทําการฉลอง พวกเจ้าถูลีผู้ครองกรุงอัลละกับปะได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีรกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีรกธาตุและทาการฉลอง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 พราหม์ผู้ครองกรุงเวทถทีปะกะได้สดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพนในกรุงกุสินาราจึงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าแม้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์เราเป็นพราหมณ์เราก็ควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทําการฉลอง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 เมื่อทูตจากเมืองต่างๆกราบทูลอย่างนี้พวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราได้ตรัสตอบกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพานในเขตบ้านเมืองของเราพวกเราจะไม่ให้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ เื่อพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุชินาราได้ตรัสอย่างนี้โทนพรามได้กล่าวกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดฟังคำชี้แจงของข้าพเจ้าหน่อยหนึ่งเถิดพระพุทธเจ้าของพวกเราทรงถือหลักขันติธรรมไม่ควรที่จะประหัดประหารกันเพราะส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุคคล ขอให้ทุกฝ่ายพร้อมใจกันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนพระสถูปจะได้แพร่กระจายไปยังทิศ ต, ต่างๆมีประชาชนจำนวนมากผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุหมู่คณะทูตเหล่านั้นตอบว่าท่านพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านนั่นแหละจงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นแส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยทนพราหมณ์รับคาแล้ว แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นแส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยแล้วจึงได้กล่าวกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดให้ธนานนี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสร้างพระสถูปบรรจุธนานตุมพระและทำการฉลองพวกเขาจึงได้มอบธนานให้โทนพราหมพวกเจ้าโมริยะผู้ครองกรุงปิปริวันโดยทรงสดบว่า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 ไม่มีส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุได้แบ่งกันหมดแล้วพวกท่านจงนำเอาพระอังคารเท่าไปจากที่นี่เถิดพวกทูตเหล่านั้นจึงนำเอาพระอังคารไปจากที่นั้น ชาพระบรมธาตุและสร้างพระสถูรเวลานั้นพระราชาแห่งแคว้นมคธพระนามว่าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรทรงสร้างพระสถูรบรรจุพระบรมสารีฤกษธาตุและทำการฉลองในกรุงราชครืพวกเจ้าลิชวีผู้ครองกรุงเวสาลีทรงสร้างพระสถูรบรรจุพระบรมสารีฤก์ธาตุและทาการฉลองในกรุงเวสาลีพวกเจ้าสักยะชาวกบิลพัท ทรงสร้างพระสถู t บรรจุพระบรรมสารีร pues ิกธาตุและทําการฉลองในกรุงกบิลพัทพวกเจ้าถูลีผู้ครองกรุงอัลลกัปปะทรงสร้างพระสถู t บรรจุพระบรรมสารีริกธาตุและทําการฉลองในกรุงอัลลกัปปะพวกเจ้าโกริยะผู้ครองกรุงรามคามทรงสร้างพระสถู t บรรจุพระบรรมสารีริกธาตุและทําการฉลองในกรุงรามคาม พราหม์ผู้ครองกรุงเวท <collection> ทีปกะสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงเวททีปกะพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงปาวาทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงปาวาพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทำการฉลองในกรุงกุสินาราแม้โทนพรามก็สร้างพระสถูปบรรจุธนานและทาการฉลองพวกเจ้าโมริยะผู้ครองกรุงปิดภริวันรวมเป็นพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ8แห่งพระสถูปที่บรรจุธนานเป็นแห่งที่9และพระสถูปที่บรรจุพระอังคารเป็นแห่งที่10การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุและการสร้างพระสถูป เคยมีมาแล้วอย่างนี้พระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระจักสุซึ่งเป็นบุคคลประเสริฐสุดมีแปดธนานประชาชนบูชากันอยู่ในชมพูทวีปเจ็ดนานพระราชาเผ่านา บูชาอยู่ในรามคามหนึ่งทนานเทพชั้นดาวดึงบูชาพระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่งส่วนพระเขี้ยวแก้วอีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในคันทารบุรีอีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคะอีกองค์หนึ่งพระราชาเผ่านาบูชาอยู่ด้วยพระเดชแห่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นแผ่นดินใหญ่นี้ประดับด้วยนักรตผู้ประเสรศิฐ พระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระจักสุนี้ชื่อว่าอันสาทุชนสักระกันดีแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันจอมเทพจอมนาคและจอมคนบูชาแล้วอันจอมมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดบูชาแล้วเหมือนกันท่านทั้งหลายจงประนมมือไหว้พระบรมสารีริกธาตุองค์นั้นๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นบุคคลหาได้ยาก โดยใช้เวลาถึงร้อยกับพระทนสี่สิบองค์พระเกษาและพระโลมาทั้งหมดเราเทพนำไปองค์ละองค์บูชาสืบสืบกันไปในจักรวาลมหาปรินิพพานสูตรที่สามจบ สมหาสุทัศนสูตรว่าด้วยพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนเข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ในสมัยครั้งหนึ่งเมื่อใกล้จะปรินิพานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ระหว่างไม้สาระทั้งคู่ณสารวันของพวกเจ้ามาละผู้ครองกรุงกุสินาราซึ่งเป็นทางเข้ากรุงกุสินาราท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอย่าได้ปรินิพานในเมืองเล็กเมืองดอนเมืองกิ่งนี้เมืองใหญ่เหล่าอื่นยังมีอยู่เช่นกรุงจำปากรุงราชครึกกรุงสาวัตถีเมืองสาเกตกรุงโกสัมพีกรุงพาราณสีขอพระผู้มีพระภาค โปรดปรินิพพานในเมืองเหล่านี้เถิดคัติยะมหาศาลพราหมณ์มหาศาลขหาบดีมหาศาลผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระตถาคตมีอยู่มากในเมืองเหล่านั้นท่านเหล่านี้จะทำการบูชาพระสริระของพระตถาคตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นว่ากุชินาราเป็นเมืองเล็ก เมืองดอนเมืองกิ่งกุสาวดีราชธานีอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วได้มีกษัตราย์ทิราชพระนามว่ามหาสุทัศนะผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีพระราชอาณาจักรมั่นคงกรุงกุชินารานี้มีนามว่ากุษาวดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัศนะด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาวสิบสองโยดด้านทิศเหนือและทิศใต้กว้างเจ็ดโยดกรุงกุสาวดีเป็นราชธานีที่เจริญรุ่งเรืองมีประชากรมาก มีพลเมืองหนาแน่นเศรษฐกิจดีเหมือนกับกรุงอารกามันธาซึ่งเป็นราชธานีของทวยเทศที่เจริญรุ่งเรืองมีประชากรมากมียากหนาแน่นเศรษฐกิจดีอานนท์กรุงกุชาวดีเป็นราชธานีที่เอืกทึกครึกโครมเพราะเสียงสิบชนิดทั้งวันทั้งคืนได้แก่เสียงช้างเสียงมา้าเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโพน เสียงพินเสียงขับร้องเสียงกังสดานเสียงประคมดนตรีและเสียงว่าท่านทั้งหลายโปรดบริโภคดื่มเคี้ยวกินกรุงกุสาวดีราชธานีมีกำแพงล้อมเจ็ดชั้นได้แก่ 1. นึ่กำแพงทองสองกำแพงเงินสามกำแพงแก้วไพลทูลสี่กำแพงแก้วพลึกห้ากำแพงแก้วโกเมนห กำแพงแก้วบุษราคำเจ็ดกำแพงทำด้วยรัตนทุกอย่างมีประตูสีสีได้แก่ 1. ประตูทอง 2. ประตูเงิน 3. ประตูแก้วไพยทูล 4. ประตูแก้วพลึกแต่ละประตูมีเสารเรียดปักไว้ประตูละเจดต้นได้แก่ 1. เสาทอง 2. เสาเงิน 3. เสาแก้วไพยทูลส เสาแก้วผลึก 5. เสาแก้วโกเมน 6. เสาแก้วบุษราคัมเเสาทำด้วยรัตนทุกอย่างแต่ละเสา ว, วัดโดยรอบสามชั่วบุรุษฝังลึกสามชั่วบุรุษสูง12ชั่วบุรุษ กรุงกุศาวดีราชธานีมีต้นตาลล้อมเจ็ดแถวได้แก่ต้นตาลทองหนึ่งแถวต้นตาลเงินหนึ่งแถวต้นตาลแก้วไพลทูนหนึ่งแถวต้นตาลแก้วพลึกหนึ่งแถวต้นตาลแก้วโกเมนหนึ่งแถวต้นตาลแก้วบุษราคำหนึ่งแถวต้นตาลทำด้วยรัตนทุกอย่างหนึ่งแถวต้นตาลทองมีลำต้นเป็นทองใบและผลเป็นเงิน ต้นตาลเงินมีลำต้นเป็นเงินใบและผลเป็นทองต้นตาลแก้วไพลทูล mm hmm. มีลำต้นเป็นแก้วไพลทูลใบและผลเป็นแก้วผลต้นตาลแก้วพลึกมีลำต้นเป็นแก้วพลึกใบและผลเป็นแก้วไพลทูลต้นตาลแก้วโกเมนมีลำต้นเป็นแก้วโกเมนใบและผลเป็นแก้วบุษราคำต้นตาลแก้วบุษราคำมีลำต้นเป็นแก้วบุษราคม ใบและผลเป็นแก้วโกเมนต้นตาลทำด้วยรัตนะทุกอย่างมีลำต้นทำด้วยรัตนะทุกอย่างใบและผลทำด้วยรัตนะทุกอย่างแถวต้นตาลเหล่านั้นยามเมื่อต้องลมเกิดเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิม้มอานนท์ดนตรีเครื่องห้าที่บุคคลปรับเสียงดีประโคมดีแล้วบรรเลงโดยผู้เชี่ยวชาญย่อมมีเสียงไพเราะ น่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิมฉันใดแถวต้นตาลเหล่านั้นยามเมื่อต้องลมเกิดเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิมฉันนั้นสมัยนั้นในกรุงกุสาวดีราชธานีมีนักเพลงนักเล่นและนักเดิมร้องราทําเพลงตามเสียงแถวต้นตาลยามต้องลมเหล่านั้น พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจประการจากแก้วอานน์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจประการและฤทธิ์ความสําเร็จสีประการแก้วเจประการอะไรบ้างคือในเรื่องแก้วเจ็ประการนี้ 1. เมื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสนานพระเสียรในวันอุโบสถ15คห้ารักษาอุโบสถ เสด็จขึ้นสู่ปราสาทหลังงามปรากฏจากแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกรรมพันซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างเมื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะทอดพระเนตรแล้วทรงดำริว่าเราได้ฟังเรื่องนี้ว่ากษัตริย์ที่ราชพระองค์ใดผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วทรงสนานพระเศียในวันอุโบสถ15คหารักษาอุโบสถเสด็จขึ้นสู่ปราสาทหลังงาม จะปรากฏจากแก้วอันเป็นทิพย์มีกรามพันซีมีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างกษัตราย์ที่ราบพระองค์นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเราเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิกระมังลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทสัศนะทรงลุกจากที่ประทับทรงพระภูษาเฉวียงบ่าพระหัตซ้ายทรงจับกระเต้าทองพระหัตขวาทรงชูจากแก้วขึ้นตรัสว่า จากแก้วอันประเสริฐจงหมุนไปจงได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ทันใดนั้นจากแก้วหมุนไปทางทิศตะวันออกเท้าเธอพร้อมด้วยจตุรงคีนีเสนาได้เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงคีนีเสนาในประเทศที่จากแก้วหยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกพากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า ขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรเดเสด็จมาเถิดขอรับสเสด็จราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดประทานพระบรมราโชวาเถิดพระเจ้าค่าท้าวเธอตรัสตอบอย่างนี้ว่าพวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้าเมา และจุงครอบครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อเท้าเธอจากนั้นจากแก้วหมุนไปยังมหาสมุทรทิศตะวันออกแล้วกลับเวียนไปทางทิศใต้และถึงหมุนไปยังมหาสมุทรทิศใต้แล้วกลับเวียนไปทางทิศตะวันตกและถึงหมุนไปยังมหาสมุทรทิศตะวันตกแล้วกลับเวียนไปทางทิศเหนือ เท้าเธอพร้อมด้วยจตุรงคิี่นีเสนาได้เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงคิี่นีเสนาในประเทศที่จักแก้วหยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือพากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรเดเสดจมาเถิดขอรับเสดจราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์ โปรดประธานพระบรมราโช ว, วาเถิดพระเจ้าค่าเท้าเธอตรัสตอบอย่างนี้ว่าพวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดนิกามไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและจงครอบครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อเท้าเธอครั้งนั้น จากแก้วได้ปราบรามแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอย่างราบคาบเสร็จแล้วหมุนกลับยังกรุงปุสาวดีราชธานีมาปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะที่พระทวารภายในพระราชวังณหน้ามุกที่ทรงวินิจฉัยราชกิจทำภายในพระราชวังของเท้าเธอให้สว่างสวจากแก้วที่ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะ ช้างแก้ว 2. งช้างแก้วซึ่งเป็นช้างเผือกเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์มีริษเหาไปในอากาศได้เป็นพญาช้างตระกูลอุโบสถได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทธศนะเท้าเธอทอดพระเนตรแล้วทรงพอพระไทยัยด้วยพระดำริว่าท่านผู้เจริญพานักคือช้างถ้าได้นำไปฝึกจะเป็นสัตว์ที่มงคลแน่แท้ทันใดนั้น ช้างแก้วเชือกนั้นได้รับการฝึกหัดเหมือนช้างอาชานในพันดีตรกูลคันทหัดถีซึ่งได้รับการฝึกหัดดีแล้วตลอดกาลนานอานน์เรื่องมีมาว่าเท้าเธอเคยทรงทดสอบช้างแก้วเชือกนั้นโดยเสด็จขึ้นทรงเวลาเช้าแล้วเสด็จเลียบไปตลอดแผ่นดินอันมีมาหาสมุทรเป็นขอบเขตเสด็จกลับกรุงกุชาวดีราชธานีทันเสวยพระกรยาหารเช้า ช้างแก้วที่ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะม้าแก้ว 3. ม้มาแก้วซึ่งเป็นม้าขาวสีสะดำมีขนปกดุดหญ้าปล่องมีฤทธิ์หาไปในอากาศได้ ชื่อพญาม้าเวลาหกได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะเท้าเธอทอดพระเนตรแล้วทรงพอพระทยัยด้วยพระดำริว่าท่านผู้เจริญพาณคือมา้าถ้าได้นำไปฝึกจะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแน่แท้ท่านใดนั้นมาแก้วตัวนั้นได้รับการฝึกหัดเหมือนม้าอาชาในาพันดีซึ่งได้รับการฝึกหัดดีแล้วตลอดกาลนานอาน o ์เรื่องมีมาว่า เท้าเธอเคยทรงทดสอบมานั้นโดยเสด็จขึ้นทรงเวลาเช้าแล้วเสด็จเลียบไปตลอดแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตเสด็จกลับกรุงกุศาวดีราชธานีท่านเสวยพระกระยาหารเช้ามาแก้วที่ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะ มณีแก้ว 4. มณีแก้วซึ่งเป็นแก้วไพยทูลงามบริสุทธ์ตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุกแววาวาวได้สัดส่วนแสงสว่างของมณีแก้วดวงนั้นมีรสมีแผ่ซ่านออกรอบๆประมาณหนึ่งโยน์อานน์เรื่องมีมาว่าเท้าเธอเคยทรงทดสอบมณีแก้วดวงนั้นทรงให้หมูจตุรงคีนีเสนาผูกสอดเกราะ แล้วทรงยกมณีแก้วนั้นขึ้นเป็นยอดธงเสด็จไปประทับยืนในที่มืดยามราตรีชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบสำคัญว่าเป็นเวลากลางวันจึงทำการงานด้วยแสงสว่างแห่งมณีแก้วนี้มณีแก้วที่ทรงคุณวิเศษเห็นปานนั้นได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะ นางแก้ว 5. นางแก้วซึ่งเป็นสตรีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักไม่สูงนักไม่เตี้ยนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักงดงามเกินผิวพรรณหญิงมนุษย์แต่ไม่ถึงผิวพรรณทิพย์กายของนางแก้วนั้นสัมผัสอ่อนนุ่มดุดปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายมีร่างกายอบอุ่นในฤดูหนาว เย็นในฤดูร้อนกลิ่นจันหอมฟุ้งออกจากกายกลิ่นอุบลหอมฟุ้งออกจากปากของนางนางตื่นก่อนนอนที่หลังคอยฟังว่าจะรับสั่งให้ทำอะไรประพฤติต้องพระไทยทูลแต่คำอัญชวนให้รักนางไม่เคยประพฤตินอกพระไทยของเท้าเธอแม้ทางใจไหนเลยจะประพฤตินอกพระไทยทางกายนางแก้วผู้ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้ ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะข้าหาบดีแก้ว 6. คข้าหาบดีแก้วซึ่งเป็นผู้มีตาทิพย์อันเกิดจากผลกรรมซึ่งสามารถเห็นขุมทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ เขาเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระองค์โปรดอย่ากังวลพระไทยเลยข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการเรื่องขุมทรัพย์ให้สำเร็จเป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์อานนท์เรื่องมีมาว่าเท้าเธอทรงเคยทดสอบขหาบดีแก้วมาแล้วโดยเสด็จลงเรือลัดกระแสน้ำไปกลางแม่น้าคงคาตรัสกับขหาบดีแก้วดังนี้ว่า ข้าหาบดีเราต้องการเงินและทองเขากราบทูลว่ามหาราชเจ้าถ้าเช่นนั้นโปรเทียบเรือที่ริมตะลิ่งด้านหนึ่งเท้าเธอตรัสว่าข้าหาบดีเราต้องการเงินและทองที่นี่ท่านใดนั้นข้าหาบดีแก้วจึงเอามือทั้งสองจุ่มลงไปในน้ําแล้วยกหม้อที่เต็มด้วยเงินและทองขึ้นม า, นมากราบทูลเท้าเธอดังนี้ว่า มหาราชเจ้าเท่านี้ก็เพียงพอเท่านี้ก็เป็นอันทำแล้วเท่านี้เป็นอันบูชาแล้วท้าวเธอตรัสอย่างนี้ว่าเท่านี้ก็เพียงพอเท่านี้เป็นอันทำแล้วเท่านี้เป็นอันบูชาแล้วขห้หาบดีแก้วผู้ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะ ปริณายกแก้ว 7. ปริณายกแก้วซึ่งเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาสามารถทําให้พระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จเข้าไปณนะที่ควรเสด็จไปให้เสด็จหลีกไปยังสถานที่ที่ควรเสด็จหลีกไปหรือให้ทรงยับยัง้งนณะสถานที่ที่ควรยับยัง้งได้ปรากฏแก่เท้าเธอเขาเขา้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะ พระองค์โปรดยากรวลพระไทยเลยข้าพระพุทธเจ้าจะถวายคำปรึกษาปรินายกแก้วผู้ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการนี้ ทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์สประการอานน์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ความสําเร็จสประการฤทธิ์สประการอะไรบ้างคือ 1. พระเจ้ามหาสุทัศนะมีพระรูปงดงามหน้าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีผุดผ่องยิ่งนักเกินกว่าคนอื่นเท้าวเธอทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ประการที่หนึ่งนี้ 2. พระเจ้ามหาสุทัศนะ มีพระชนมายุยืนยาวนานเกินกว่าคนอื่นเท้าเธอทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ประการที่สองนี้ 3. พระเจ้ามหาสุทัศนะมีพระโรคาพาธน้อยมีความทุกข์น้อยทรงมีไฟธาตุทางานสม่ําเสมอยิ่งกว่าคนอื่นคือไม่เย็นนับและไม่ร้อนนักเท้าวเธอทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ประการที่สมนี้ 4. พระเจ้ามหาสุทธศนะทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายอานนท์บิดาเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุตรทั้งหลายฉันใดเท้าเธอทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายฉันนั้นอนหนึ่งพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเท้าเธออานนท์ บุตรทั้งหลายเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบิดาฉันใดพรามและข้าบดีทั้งหลายก็เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเท้าเธอฉันนั้นอานอน์เรื่องมีมาว่าเท้าเธอเสด็จประพาสพระราชอุทยานพร้อมด้วยหมู่จัตุรงคขี่นีเสนาพวกพรามและข้าบดีเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะกราบทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้า พระองค์อย่าพึ่งด่วนเสด็จไปพวกข้าพระพุทธเจ้าจะได้เฝ้านานๆท้าวเธอตรัสกับสารถีว่าเธออย่ารีบขับรถไปเราจะได้เห็นพวกพราหมณ์และข้าพเดีนานๆท้าวเธอทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ประการที่สีน่นี้อานนท์พระเจ้ามหาสุทธศนะทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์สี่ประการนี้